แต่แล้วถ้าอยากเป็นไทยทํำยังไงวพวกนั้นก็ต้องหนีออกจากที่นั้นไปอยู่ที่อื่นโดยที่ไม่มีใครรู้จักเนี่ยนะพวกนี้ก็ใช้วิธีนี้แต่ดีว่ายุคหลังๆมานี่เขาเลิกทาสไม่งั้นเราก็ไม่รู้ฐานะอะไรก็ไม่ทราบงั้นระบบสมัยโบราณจริงๆเนี่ยนะเป็นลักษณะนี้อ่านี่เปรียบเทียบให้เห็นว่ากรรมที่เป็นไปในวัฏฏะเงื่อนไขเข้าจากคล้ายๆแบบนี้มันอัปลักษณ์มาก เนวัดตะมันจึงเลวโดวยประการทังวงมีอาหารอร่อยกินนะแล้วถ้าเมื่อผู้ที่เข้าใจกฎเกณฑ์อย่างนี้แล้วเนี่ยนะโดยเฉพาะพระพิสุตสมัยโบราณทำไมาท่านจึงเจริญกรรมฐานทั้งวันทั้งคืนเพราะรู้ว่าโอกาสที่นี่จะหลุดมีอยูย่อย่างนี้ครั้งเดียวอย่างเงี้ย พี่ที่เขาจะรีบปฏิบัตินะทําไมน ะ, ะจะชําระหนี้ได้ก็ครั้งนี้ครั้งเดียวเนี่ยน ะ, ะจะแก้ได้ก็ตอนนี้ถ้าแก้ช่วงนี้ไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นอีกท่านรู้เลยเพราะท่านจึงไม่ต้องการแม้แต่สวรรค์นะนะเพราะอะไรเพราะท่านเข้าใจกฎเกณฑ์เหล่านี้ดีมากท่านจึงมันไม่น่าปรารถนาเนีนะนะเพราะมันก็อะไรพักหนี้ชั่วคราวเท่านั้นเองอะนะสามปีเองอะนะพักหนี้ชั่วคราว อันนะถ้าใครเข้าใจกฎเกณฑ์เหล่านี้แล้วนะจะทาเช่นไรก็ตามเห็นแต่เหินสมควรเถิดไนนะนนเดี๋ยวก็ไม่น่าแล้วนะหลวงพ่อท่านก็เลยทฤษฎีใหม่ท่านก็เลยเอาผ้ามาโขลก่ไหมแล้วก็ไปปั้นเป็นรูปแล้วก็แจกหลวงพ่อรวยอีก คือจริงๆแล้วหลักการเข้าเป็นอย่างไงนะสายสมุทรยศัสตร์ทั้งหมดเนี่ยโดยหลักการการคำนวณแล้วเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าอันนี้คือลักษณะโครงสร้างแต่ถ้าเป็นพุทธพจน์เนี่ยถ้าแสดงตรงกับอัธยาศัยจะยกบางประเด็นขึ้นมาในในตำแหน่งทั้งหมดที่กล่าวไปนะจะยกแต่บางประเด็นขึ้นมาจะไม่แสดงทั้งหมดแบบสิ้นเชิงธรรมะกลุ่มนี้เขาเรียกว่าแบบพิสดารแต่ว่าถ้าเป็นสมัยพุทธกาลแล้วเนี่ยถ้าสมัยพระองค์มีพระชนอยู่จะแสดงแบบย่อ จะแสดงแบบยอ่อๆเฉยๆจะไม่ไม่พิสดารสูตรที่พิสดารจึงจึงมีอยู่ในพระพิธรรมเป็นต้นแต่ว่าในในวิสุทธิมรรคเป็นต้นเนี่ยท่านจะคำนวณให้ดูหรือในอัตตกถาวิพังแต่วิธีการคำนวณอย่างเมื่อกี้เนี่ยคำนวณอีกในหนึ่งแต่อัตตกถาโดยมากจะคำนวณแบบนี้ว่าตันหาสามเป็นปจัจจัยอะไรอุปาทานสี่ อุปาทานสี่เป็นปัจจัยแก่พบสามอันนี้นี่คำนวณคร่าวๆนะแต่ถ้าอันนี้พุทธพจน์จะเป็นแบบนี้อัตรกษถาจะอธิบายว่าตันหาสามเช่นหนึ่งนะประกอบด้วยกามะตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาตัหาคูณอุปาทานสี่ เท่ากับ4อย่างงี้ใช่มแบบนีอุปาทาน4จะเท่ากับอุ ป, อปาทานเท่าไหร่อุปาทาน12อุปาทาน12เนี่ยเพื่อคูณพบ3หมดเลยแบ น, นีอุปาทาน12คูณพบ3หรือเท่ากับ4เนี่ยคูณพบ3นี่เท่าไหร่12ก็ไล่อย่างเงี้ย12กี่ครั้งอ่ะ เขาก็จะไล่ลักษณะนี้อันนี้คำเรียกว่าคำนวณแบบคร่าวๆเมื่อมีตันหาแล้ว น, น, นะนะเมื่อมีตันหามาแล้วนะจาคำนวณแบบนี้แต่ถ้ายังไม่มีตันหาถ้าคำนวณมาตั้งแตบบ่ตาเมื่อมีตามาบวกกับรูปเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดภาษาภาษะเกิดเวทนาเวทนาเนี่ยเกิด ตัญหาท่านตัญหาตัวนี้คือตัญหาสามก็จะมาเข้าระบบอันนี้แล้วรูปที่เราเห็นเนี่ยวันหนึ่งเห็นกี่รูปล่ะเนีย่ยนะก็ก็มาเข้าหลักการอีกเหมือนเดิมเนีย่ยนะก็ก็คำนวณไปตามนี้แล้วกันเนีย่ยนะแต่ว่าจะคำนวณแบบไหนก็ตามว่าตะมันยาวอย่างเดียวไม่มีหดก็เลยชอบคำในเนติ ป, ปกรณ์ที่บอกว่ากรรมเนี่ยคือตัวขยายวตาัตตเนี่ยนะ มัก็เลยมาทาใจได้ว่าโอ้โหนี่ลืมตาเมื่อไหร่ก็ขยายวตาแล้วนะทุกครั้งที่ลืมตาเนี่ยคือการขยายตาขยายขยายยังไงไม่ใช่ขยายเปลือกตาให้มันกว้างขึ้นแต่หมายถึงว่าขยายให้ตาเนี่ยมีข้างหน้าต่อไปไม่มีมีจบมีสิ้นเนี่ยนะหูได้ยินเสียงเมื่อไหร่ก็ขยายหูขยายวตาเนี่ยนะจมูกรู้กลิ่นเมื่อไหร่ก็ขยายจมูกรู้รสเมื่อไหร่ก็ขยาย ขยายลิ้นใช่ั้ยรู้ผลิตภาพเมื่อไหร่ก็ขยายกายรู้ธรมรมารมณ์ขึนี่ก็ขยายขยายใจถ้ามันขยายอยู่อย่างนี้มันไม่มีย่อเลยนะมันไม่มีหดตัวเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่ารู้เห็นอย่างไรวัตะจึงจะสิ้นไปใช่ั้ยก็รู้เห็นตาโดยอนิจออนาานจังทุกขังอนัตตารูปโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณโดยอนิจจังทุกขังอนัตตา ภาษาโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วอันนี้มันจะเป็นวิราคะเองเนี่ยนะหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะผลเดี๋ยวโทษดีผลจะเป็นนิพพิทาเนี่ยนะเนี่ยสรปว่าเจริญสายไหนหละ่ะถ้าเพลิดเพลินตามธรรมชาติของตนของตนเนี่ยนะก็เป็นตันหาใช่ไหมตันหาก็จะเข้าระบบนี้ แต่ถ้าเห็นจักขูโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาภาษาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ตาเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะได้นิพิทานี่ยนะแต่ถ้าไม่ยอมเลยนะสบายๆวันๆหนึ่งก็ได้ตัณหาแต่ถ้านิพิทาอันนี้เป็นปัจจัยแก่อริยมรตเนี่ยนะถ้าตัณหาระบบอันเนี้ย มันก็เลือกเดินเอาว่าจะเดินสายไหนเวันนี้เทียบไปแล้วเนี่ยกำไรหรือขาดทุนเสมอตัวพอ <c oughs> ม, มาเสมอตัวเองดูท่าแล้วทำไมอะ่ะเพราะว่ามันปันหามันเยอะเหลือกเกิ น, นอ่ะนะอย่าไปคิดว่าระวังที่เจริญวิปัสสนานะถ้าเจริญอย่างนี้แล้วถ้าอริยมรรคไม่เกิดนะ อยากคิดว่าอันน sm ี้จะไม่เป็นที au ่ตั <t <t yes, ้งแห่งตันหาอีกเนี่ยนะอยากคิดนะเพราะวิปตัววิปัสนาเนี่ยนะวิปัสสนาก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งตันหาอยู่ดีเนี่ยนะวิปัสสนาก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งตันหาเพราะฉะนั้นจึงเกาะตัหาเกาะวิปัสนาไม่ได้แต่เบื้องแต่แต่เบื้องอะไรนะ คือเปรียบเหมือนอย่างว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนี่ยนะฮะ น, นี้ฝั่งอะไรโลกิยะฝั่งนี้โลกุตระใช่ระหว่างเนี่ยน้ำโอคะเนี่ยนะทีนี้บุคคลจะข้ามโอคาก็เลยอยู่ในเรือแพใช่ไหมสร้างเรือแพมาเลยเดินทางมาเรื่อยๆ ถามว่าเลยโอ้เรือก็ดีอยู่แล้วก็อย่าไปไหนเลยอยู่ในเรือซะหมดเรื่องของเราไม่ต้องควนขวายอะไรละคิดว่าจะปลอดภัยหรือถ้าอยู่ในเรืออย่างนันวิปัสสนาเนี่ยประดุดข้าเหมือนเรือหิ้งก็ไม่ได้ถ้าทิ้งจมน้ําอยู่เฝ้าเรือก็ไม่ได้เดี๋ยวจะไปตามกระแสน้ําเพราะฉะนั้นก็ต้องติดเครื่องกว่าจะมาถึงข้ามถึ ง, ถ, งถึงฝั่งแต่นะถ้าไม่ข้ามถึงฝั่งเดือดร้อนเน่ เดี๋ยววิปัสนาเองตอนหลังเนี่ยนะอโยนิโสมนัสิการเกิดได้ไหมบอกได้ถ้าโยนิโสมนัสิการอยู่วิปัสนาก็เกิดไหมถ้าอโยนิโสมนสิการตันหามาแทนเนี่ยนะท่านก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมผู้เจริญวิปัสนาตอนหลังก็เสื่อมเนี่ยนะเพราะอโยนิโสมนัสิการเข้ามาแทนท่านพระองค์จึงสอนว่าถ้ายังไม่ถึงฝั่งยังไม่ตรัสรู้อย่าเพ่งดีใจเนะี่ยนะอย่าเพ่งดีใจ อย่าเพิ่งดีใจสักว่าวิปัสนาเนี่ยนะทั้งตัวตันหาดังกล่าวไปเนี่ยนะที่เรียกว่ากิเลสปันห้าตันหาร้อยแปดเป็นต้นเนี่ยนะอย่าไปนึกว่าเป็นคำที่เกินความจริงเลยใช่ไหมกิเลสปันห้า นะ่กิเลสพันห้าเขามีวิธีคำนวณเขามีอะไรนะ่โลกิยาจิต8ปดิอดกิเลส10คูณนะกิเลสนี่สิก่อนใช่ั้ยจำจำวิธีคำนวณเขาไม่ได้แนละ้ว ว่าเขาคำนวณยังไงเขาเขามีในหนังสือหลักสูตรจุลจุลโทะนะหนังสือจุลโทเนี่ยเขามีคำนวณให้ดูอยู่ส่วนสัญญาเมื่อวานว่าไปถึงไหนเวทนาสส่วนใหญ่ใช่เมื่อวานถึงไหนถึงเวทนาฮะทบายถึงไหนเมื่อวาน เวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่อันที่จริงตันหาเนี่ยนะเปน็นเวทนานเนี่ยทุกเวทนานเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ตันหาหมดเลยไม่ว่าเวทนานั้นจะเป็นโสมณัตโทมนัตหรืออุเบกขาก็ตามนะโสมนัตโทมนัตหรืออุเบกขาโสมนัตก็เป็นปัจจัยแก่กามตันหาภาวะตันหาและก็ วภาวะตัณหาได้หมดเนี่ยนะหรือภาษะทุกภาษะนี่นะภาษาทุกภาษาภาษะนั้นจะเป็นภาษะกับกับอารมณ์ที่ดีก็ตามอารมณ์ที่ไม่ดีก็ตามภาษะนั้นในที่สุดก็นํามาซึ่งเวทนาสามทีนี้แต่ละเวทนาเนี่ยนำมาซึ่งตัณหาสามเนี่ยนะก็ สุขทุกโสมนัสโทมนัสก็เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาสามกามะตัณหาก็ยังเป็นปัจจัยแก่อุปาทานทั้งสี่คือกามู ป, ปาทานที่ถู ป, ปาทานศีลพัตุปาทานและอัตวาทุ ป, ปาทานทุกอุกปาทานจะขยายไปอยางไงอีกว่าเป็นปัจจัยแก่กามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยนะ ทนี้ภาษาอันนี้เนี่ยนี่ยกตัวอย่างจากขูสัมผัสใช่จากขูสัมผัสก็ไล่ภาษาอย่างเงี้ยไปเรื่อยโสตาสัมผัสคาร์นาสัมผัสชิวหาสัมผัสเนี่ยนะโครงสร้างมันก็จะแตกลูกแตกหลานอย่างนี้แหละแล้วทีนี้ถ้ามาเกิดพบใหม่นะนะสมมติว่าเป็นพบเนี่ยนะก็ได้ผลคืออุปาติพบอันนี้ก็ชาติอยู่ยดี พอมีชาติพอมีชาติแล้วอะไรเกิดตาเกิดเอกพอตาเกิดเอกจากขู่สัมผัสเกิดเด็กใช่ไหมแล้วก็ไปอย่างนี้อีกตามเดิมเนี่ยนะแล้วมันมีตั้งอายตนะมันไม่ใช่อายตนะเดียวมันหกอายตนะนี่มันก็เลยอย่างเงี้ยไม่รู้อะไรก่อนอะไรหลังมันยุ่งเหยิงไปหมดเลย ก็อะไรนะเมื่อก่อนเห็นรากต้นไม้เนี่ยที่ว่าประสาน ร, รากมันเยอะเเลยนะก็บอกยังไม่ได้มากเท่าันนี้เลยมันประสานเ mm. กาะเกี่ยวถ้าเรียนตามสูตรนะสอนแบบนี้ก็สนุกดีไมงันเอาไปไปคิดเอาเองแล้วกันที่เหลือสูตรมันเป็นอย่างนี้ ลืมลืมใส่ชื่อไปนิดนึงถ้าเป็นตันหาก็ตันตัวตันหาเหล่านี้เนี่ยนะตันหาเหล่านี้ก็เป็นปิยรูปสาตรูปเหมือนกันใช่ไหมตันหาเหล่านี้ก็เป็นปิยรูปสาตรูปทีนี้ตัวอุปาทานอุปาทานเนี่ย กามูปารทานที่ถูกปาทานศีลพรตูปาทานและอัตวาทุปาทานสามตัวนี้เป็นชื่อของทิฏฐิเนี่ยนะการมูปาทานก็เป็นชื่อของตันหาส่วนการมาพบรูปประพ บ, ระพบอรูปประพบเนี่ยคือเจตนาเนี่ยนะผลเจตนาเหล่านี้จึงเป็นสภาพที่หน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเหมือนกันไหเนจตนาเหล่านี้ท่านเจตนา เจตนาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธภัพเป็นสภาพที่หน้าปรารถนาน้าใคร่หน้าพอใจเหมือนกันเนี่นะตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่เจตนาเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่เจตนาเดี๋ยวจะคำนวณให้ดูอีกนิดหนึ่งระบบเขาเป็นยังไงยกตัวอย่างว่าเจตนาในการมาพบเนี่ยมีเท่าไหร่ มี20เจตนาเฉพาะกามะภพนะยสเจตนาในกามะภพย0สิบเหล่านี้เนี่ยมาแบ่งเป็นกายะสันเจตนาย0สวจีสันเจตนาย0สิบมโนสันเจตนาเอกยนะี่สิบเท่าไหร่ละสหสเหล่านี้เนี่ยนะก็คูณอารมณ์ห อย่นี้คูณอารมณ์6อีกครั้งหนึง่งก็ทุกอันเนี่ยคูณอารมณ์ 6, ม6หมดสรุป60สคูณหกกันแล้วกันเท่าไหร่ท่านกระต๊อดหกรอยหกร้อยคูณหกเนี่ยนี่เฉียนทานสามร้อยหกสิทีนี้360นะมันยังมีแตกแขนงอีก คือพวกไอ้ยี่สิบเหล่านี้นะไปแจกเป็นสิบสองกับ8 1ดสิบสองเหล่านี้คูณอารมณ์ห8แปดเหล่านี้คูณอารมณ์หกเหมือนกันแต่8ดที่เป็นหมหากุศล8ดคูณอารมณ์หเนี่ยนะเท่ากับสิบแปดนะสิบแปดเนี่ยคูณสี่สิบแปดนะอ่าแปดคูณ6เท่ากับสี่บแปดแล้วคูณบุญกิริยาวัตถุอีกสิบนี่ยนะ เทน480และพวกนี้คูณอย่างกลางอ่อย่างดีอย่างกลางอย่างเลวแล้วก็คูณอธิบดีอ่จากสูตรอันนี้ทำให้รู้ว่าทำไมสัตว์จรึงต่างกันทำไมสัตว์ที่เกิดมาในโลกนีแตกต่างกันเียนะแล้วในบรรดาสิ่งเหล่านี้นะยังมีเรียกว่า ก ร, รมตัวใดเป็นตัวมานําเกิดอีกครั้งหนึ่งเช่นว่าตัวอุปชาวเวทนิยกรรมมานำเกิดหรือตัวอปราปรเวทนิยกรรมมานำเกิดเพราะนั้นความแตกต่างแห่งหมู่สัตว์เนี่ยจึงเป็นอย่างนี้ว่าทําไมสัตว์นี่แตกต่างกันเหลือเกินแต่และคนทําไมไม่เหมือนกันอย่างนี้นพวก น, นี้จะเป็นตัวที่เข้าไปอธิบายได้หมดเลยอเอก็ ก็มีกายก็อันเดียวกันเนี่ยนะแต่ถ้ามีกายเป็นออเป็นกายกรรมถ้าร่วงกายวินยัตก็เป็นกายกรรมร่วงวจีวินยัตก็เป็นวจีกรรมถ้าไม่ร่วงวิญยัตทั้งสองก็เป็นมนโนกรรมอันในโลกของเจตนายก็เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมอนะไรเนี่ย ไม่มองยังไงนะถ้าไม่มรคไม่เกิดเนี่ยไม่มีทางรอดเชือ่อบอกจริงๆว่าถ้ามรคไม่เกิดนะใครหาทางออกได้นะของมาเชื่อมือเลยทําไมเก่งจริงๆแต่ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ไม่เชื่อใครออกว่าถ้าไม่เจริญนุปัสนาจนบริบูรณ์จริงๆเนี่ยใครเชื่อว่าตัวเองมีทางออกนะของมาไม่เชื่อโดยประการทั้งปวงถ้าถ้าแต่แต่เราต้องรู้กลไกของเขานะว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเนี่ยมันมันออกไม่ได้อยู่แล้วล่ะ นั่นก็จำมปนนิดไปหาสูตรมาดูมันจะออกจากวัฏตะได้ยังไงสิบ น, นั่น น, นะสิบขบุญกิริยาวัตถุสิบซึ่งบุญกิริยาวัตถุสิบก็ให้ผลมามีตายอีกก็จะได้ย้อนกลับมาหาไอ้รอยเดิมอีกนะนี่น่านะอยู่ได้นานกันจริงๆเลยนะทนอยู่หน่าดูเลยนะอยู่ทนทนอยู่สารพัดอย่างนั้นนะ น, ะนภาปาตถนาวิวัตตาและนะ้วนะไหว้พระเจดีย์เมื่อกี้ อันนั้นบุญนั้นเป็นอุปนิสัยให้ออกได้ <c oughs> นะเรียนอย่างนี้ก็ตั้งความปรารถนาเพื่อจะออกเหมือนกันอ่ะนะก็ถ้าตั้งอธยาศัยว่าอันนี้เป็นเหตุให้เรียกว่าอะไรนะส่าสารชัดแต่ถ้าส่าสารเฉพาะตัวนะทาเป็นปล่องชำระแค่ปล่องพอเดินออกจากวัตฏะได้ก็พอใจแล้วนะมันก็คิดในแง่ยอยู่ขอบเขตที่เรียกว่าอะไรเป็นสภาวะที่น่าปรารถนาน่าพอใจสาหรับเราเนี่ยนะนะก็ พิจารณานั้นให้มากแล้วอันนั้นก็เป็นปล่องออกเฉพาะตัวเนี่ยนะก็ถ้ามีศรัทธาข้ามได้ก็พระองค์ก็ยังตรัสอยู่แล้วว่าบุคคลจะข้ามโอคาได้ด้วยศรัทธาเชื่อพระพุทธเจ้าและทําตามอย่างเดียวเนะแบบคุณมุนชูว่าไม่เถียงไม่ถามทาตามอย่างเดียวทําตามอานาตตาลัคนาสูตรทําตามอาธิตะปริยาส ต, นะนะตาาาสูตรเนี่ยนะทำตามโลกันนีโรถสูตรเนี่ยพ้นทุกแน่นอนนะไปทำอนะหรือสาธยายปฏิสัมพิธามมักเอาไว้ให้ดีๆนะแต่ละอย่างก็เป็นทางหมดนะ มันน่าจะออกได้สักทางหนึ่งอันนะไอ้สำคัญว่าสำคัญสาคัญตรงที่ยังไม่ค่อยนึกจะออกนี่สิไตรงนี้แหละไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าออกนะบอกทางแล้หมดแต่ว่าไม่คิดจะออกเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงนะก็ก็อะไรนะที่พระ อ, องค์พุทธพจน์ว่านะถ้าเขาแล้วเราจะไปว่าอะไรเขาผู้เป็นคนพานผู้เป็นคนลงก็ตถาคตเป็นแต่คนบอกทางเหมือนกันน่นนะ นี้ของเราก็มาเรียนเราก็รู้ทางเลยนะ ท, ที่เหลือก็ทําไงก็ว่ากันไป ต, ตามนั้นแหละดูนะน ค, คือคำว่าทางเดียวเนี่ยนะหมายถึงเจริญสติปัฏฐานพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอันนี้คือทางเดียวเอกายโนยังพิคเวมัคโคสตานางังวิสุทธิญาเนี่ยนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียว นะเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่ออสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทํารัตนิพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เป็นฉนพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกนะทางนี้เป็นทางเอกใช่ไหมทางเดียวเนี่ยนะทางเดียวที่จะทําออกเนะี่ยทายังไงรู้ไหมก็จําสูตรนะว่าเช่นยกตัวอย่างกายเย กายานุปสนะีอันีวิหารติอาตาปีสัมปชานสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมณสังนะเงื่อนไขถ้าเป็นรูปขันธ์ที่เนี่ยนะเช่นรูปขันอะไรก็ตามที่เป็นรูปขันธ์คูณด้วยอนุปัสนาเจ็ด ถ้าเป็นเวทนาขันคูณด้วยอนุปัสนาเจถ้าเป็นสังยาขันคูณด้วยอนุปัสนา7สังขารขันคูณด้วยอนุปัสนาเจหรืออีกในหนึ่งนะจักขูรคูณด้วยอนุปัสนาเจจักขูรูปคูณด้วยอนุปัสนา7จัภาษาคูณวิญญาณคูณด้วยอนุปัสนาเจนะเวทนาคูณด้วยอนุปัสนาเจตันหาคูณด้วยอนุปัสนาเจเป็นต้นเนี่ยคือทางออกมีทางเดียว เนีย่ยทางออกนะเช่นตามเห็นจากครูโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นโดยความเที่ยงตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสุขตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอนาตาตามเห็นโดยความเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินตามเห็นโดยความคลายกาหนัดไม่ใช่กําหนัดตามเห็นโดยความดับไม่ใช่สร้างไม่ใช่สมุทัยนะตามเห็นโดยความสละคืนไม่ใช่ถือมั่นก็ภาษาเวทนาสัญญาเป็นต้นเนี่ยนะ ในปีรูปสาตรูปทั้ง60ิเนี่ยนะให้คูณอนุปัสนาเจไว้เถอะนั่นคือทางออกมีทางเดียว น, ยนะนะทีนี้ทางออกอันนี้นะอาตาพีคูณด้วยหมายถึงว่าสัมส ม, มั ป, ปทานสี่ต้องดีเยี่ยมสัมปะชานโนอานะสัมปะชัญญะทั้งสี่ก็ดีเยี่ยมแล้วก็สติ ม, มาอนะไม่ประมาทในการเจริญสิ่งเหล่านี้ น, นะแล้วก็ต้องมุ่งกำจัดอภิชากับ โมนะถ้าเจริญอย่างนี้ได้นะ7นีเจ็ปีผลสอง่าเจดปีของเราได้กี่ปีแล้วเนสะปีแล้วนสะี่ปีอาจารย์เกนะจังเกย์สอนใช้อันเดียวนะอภิชาะนะไม่เจ็ดปีนี่เว้นแต่หลับนะเจ็ปีเว้นแต่หลับนี่ไนงะ อันนั้นเจ็ดปีจงยกไว้6ปีหาปีสปีสมปีสองปีหนึ่งปี7ดวันเนี่ยคิดอย่างนี้7วันเลยนะต่อนนเนื่องเจ็ดวันอนุปัสนาเจ็ดทุกอารมณ์เจ็ดวันเลยนะคิดอย่างนี้เจ็วันคิดว่ามันไม่หลุดไม่กระเด็นกระดอนหรอกบ้างเลยเลยปัญหาว่าเจริญสัก10นาทีใช่ไหมเออเอาไว้ก่อนหรือเจริญชั่วโมงหนึ่งบอกได้เวลาพักผ่อนแล้วอย่างเงี้ยนะก็ก็อีกนานอย่างเงี้แต่พระองค์ก็สอนทางออกอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าพูดให้หนักใจแล้วก็ให้เฝ้าอยู่ต่อไปนะไม่ใช่ใช่ไหม ก็ยังสอนให้ออกเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจกฎเกณฑ์เหล่านี้นะอย่างวงจรของปัจจยาการปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเราไม่คิดจะออกสักเท่าไหร่เราจะไม่เห็นคุณของสติปัฏฐานสี่เจริญอย่างนี้แล้วมันดีจริงหรือเนี่ยนะเป็นต้นเพราะอะไรเพราะวงจรของวัดตะเรามองมองไม่เห็นมองไม่ออกพอมองไม่ออกก็เลยสิ่งที่ควรจะเพียรก็เลยไม่เพียรเพราะเราละทั้งหลายคนใช่ไหมถ้าไม่เห็นประโยชน์ทําไม่ได้ เพ่อมีปัญญานําหน้าใช่ไหมเราต้องรู้ประโยชน์เราจรึงจะทําได้เนี่ยนะจริงหรือเปล่าเขาไม่ทราบมีนนวิชานําหน้าหรือเปล่ากขาไม่ทราบนะจริงก็คือสัตว์ทินรีเราเราค่อนข้างไม่มากที่เป็นอย่างนั้นน้อยเพราะว่าเรารู้พุทธคุณน้อยธรรมคุณน้อยสังฆคุณน้อยอที่จะเจริญก็เลยได้ไม่เท่าที่ควรเนี่ยนะแต่ก็พูดแบบผู้การนั่นนะได้เรียนก็ดีแนละ้ว มันก็สมุทยาศัสตร์อาจจะเรียนกันแค่นี้ก็พอก่อนนะแล้วก็พรุ่งนี้กับป ร, รืนนี้ว่าจะเอาอะไรนกุธาตวิพังกสูตรมามาเรียนสับไปนิดหนึ่งก่อน นี่เนี่ยอยู่เล่มยี่สิบสามั้งใช่ใช่มหมยี่สิบสามชื่อว่าธาตุวิพังขสูตรถ้าใครมีก็อยู่เล่มราชะครึกเล่มหนึ่ง่ะนีไม่ไม่รู้มากัน เพราะว่าของมาว่าตรงๆแล้วไม่ค่อยเคร่งครัดในหลักของไออะไรนะตำราที่เรียนในของมาไม่ค่อยเคร่งครัดเลยแปลกว่าหนังสือที่เขาเรียบเรียงมาเนี่ยนะอันนี้พูดอัธยาศาัยให้ฟังนิดนึงซึ่งไม่ไม่จําเป็นจะต้องเอาไปบอกอากษาเราคือนังสือถ้าเป็นเขียนเป็นหลักสูตรอะไรเป็นต้นขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยชอบทําไมรู้ไหม มันไม่ใช่คําพูดที่มีปฏิสัมพิทาเป็นสมุทฐานบางทีในบางเล่มเนี่ยคิดตามแล้วก็ไม่ค่อยสมานัดก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เลือกอ่านอัตถกาถาที่ชอบอ่านพระไตรปิฎกกับอัตถกาถาเพราะว่าคำพูดมีปฏิสัมพิทาเป็นสมุทฐานบางบางท่านเนี่ยนะก็เขียนหนังสือก็ไม่ผิดหลักการอะไรแต่ว่าวิธีอธิบายเนี่ยนะจะไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางและ ที่สุดเนี่ยนะการอธิบายบางอย่างไม่ได้นํามาซึ่งความเบาใจอะไรเลยนะก็สังเกตดูว่าอ่านแล้วมันหนักขึ้นหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้เหตุผลหนึ่งที่ที่เลือกอ่านพระไตรปิฎกซึ่งจะต่างจากหนังสืออื่นพระไตรปิฎกนี้อ่านแล้วในที่สุดเนี่ยนำมาซึ่งความสบายใจเนี่ยนะนำมาซึ่งความสุขและโสมนัสคือไม่ค่อยลําบากใจในภายหลังแรกๆอาจจะทําความเข้าใจยากหน่อย แต่ถ้าอ่านค่อยๆระลึกตามพิจารณาตามในที่สุดทรงจำได้เอาไปคิดตามตอนหลังปีติและโสมนัสเกิดมากกว่าแล้วก็ทนต่อการเพ่งอยู่ตลอดการแต่ถ้าเป็นคำที่ไม่มีปฏิสัมพิทาเป็นสมุทฐานเนี่ยนะโดยเฉพาะนิรุติปฏิสัมพิทาของผู้ที่เข้าใจอัตธรรมเป็นอย่างดีในที่สุดเบื้องหลังก็นำมาซึ่งไม่ควรต่อการเพ่งคิดในแง่ไหนก็ติบตันไปหมดเลย แต่ น, นี้ก็อันนี้พูดถึงอัธยาศัยนะของใครอัธยาศัยยังไงก็ว่ากันไปคิดว่าเรือลําไหนส้ำเภาอันไหนที่จะช่วยให้ตัวข้ามวตฏะได้ก็อันนี้เสสิทธิมนุษยชนไหมขวางกันมีรายการทุกวันนี้ก็รายการสิทธิมนุษยชนคาว่างั้นไม่รู้มันแค่ไหนก็ไม่รู้สิทธิมนุษยชนไง